ก็ขอตอนหลับปฏิบัติธรรมมาจากนครสวรรค์ก็ในเวลาช่วงหลังธรรมวัตทุกเช้าทุกเย็นก็มีการศึกษาธรรมะร่วมกันเพื่อเป็นการนำการปฏิบัติให้มันถูกต้องถูกทาง เมื่อเราปฏิบัติถูกต้องถูกทางแล้วมันก็ไปสู่เป้าหมายได้เร็วเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราก็คือไม่ทุกขนะ์ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่เดือดร้อนทั้งกายและใจคือเป้าหมายแต่ถ้าหากเรามีความไม่สบายทั้งร่างกายและใจิตใจอยู่เราก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายนะ ในช่วงไหนที่เรามีความสบายทั้งกายทั้งใจช่วงนั้นเราก็ถึงเป้าหมายก็สลับกันนะบางวันก็ถึงหลายครั้งบางวันก็นะไม่ถึงหลายครั้งนะช่วงไหนมีความปกติสบายปลอดโปร่งจิตแล้วก็ถึงเป้าหมายในช่วงไหนมีความอึดอัดขัดเคืองมีความไม่สบายกายไม่สบายใจช่วงนั้นก็ออกจากห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการ ดังนั้นเราก็ใช้ความพยายามเพราะเราทำในสิ่งที่สัมผัสได้และก็มีมีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่สัมผัสไม่ได้แต่การที่เราจะมีความปลอดโปร่งสบายทั้งกายและจิตตลอดเวลาได้นั้นเราจะต้องมีความเข้าใจก็คือมีปัญญาเข้าใจเหตุการณ์เข้าใจความเป็นจริง อย่าไม่สงสัยมองอะไรก็หายสงสัยได้คนเราที่มันต้องนึกต้องคิดต้องปรุงต้องแต่งก็เพราะมันสงสัยนี่แหละถ้าไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นอ่ะไอ้ที่เราคิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็แสดงว่าเราสงสัยจะโดยตรงหรือเดืออ้อมก็ตามเพราะว่าเราข้่องอ่เพราะฉะนั้นที่ท่านบัญญัติศับว่าสัตะวะ์ไปว่าค้อง ข้องอยู่ในอารมณ์นะ้องอยู่ในความคิดข้องอยู่ในวัตตะแ ว, วก็สัต์นี่การที่เรามาศึกษาและมาปฏิบัติโดยวิธีการอันนี้นนทาให้เราได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงว่าชีวิตของเรานั้นมีทั้งสุขทั้งทุกขนะ์มีทั้งบุญดังบา ทั้งดีแค่ชั่วปะปนคละเคล้ากันไปเพราะมันเป็นโลกกะระทำที่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่หน้าที่ของเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปกลัวในส่วนที่มันทุกข์หรือแสวงหาในส่วนที่มันสุขก็ไม่ใช่แต่คนส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้นอันไหนที่มันเป็นทุกข์ไม่สบายก็พากัน กลัวพากันหนีออกจากมันในส่วนไหนที่มันสบายก็วิ่งหาวิ่งเสาะหาอยู่นั่นแหละมันก็เลยไม่เจอสักทีนึงเพราะปฏิเสธอันหนึ่งแล้วก็ยอมรับอันหนึ่งมันก็เลยไม่ไม่หมดไม่สิน้นแต่ตามความจริงแล้วเราต้องอยู่เหนือทั้งสองอย่าง สุขก็ต้องยกจิตอยู่เหนือมันทุกข์ก็ต้องยุบจิตอยู่ ท, ทุกกข์ก็ไม่ไม่หนีสุขก็ไม่เอาไงทั้งสองด้านแต่ใช้สุขใช้ทุกเป็นพา a น a ไงใช้สุขใช้ทุกเป็นพา a น n ะเหมือนกับเราใช้จักรยานสองล้อมาโดยใ์ไก็ตเป็นพา ana ไปสู่เป้าหมาย เราไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนรถตลอดเวลาเราใช้รถเนี่ยเพื่อเพียงเพื่อไปสู่เป้าหมายเท่านั้นเหมือนกันเราใช้ชีวิตเราใช้ความสุขความทุกข์เราใช้โลกกระทนี้เป็นพาหนะไปสู่เป้าหมายนะไม่มีใครมีชีวิตอยู่บนพาหนะได้ตลอดเวลาอาศัยภาระได้พาหนะได้ระยะหนึ่งที่เดินทางจากนั้นก็ทิ้ง พุทธเจ้าท่านเมมนปรียบเสมือนเป็นแพหรือเป็นเรือเราอาศัยเป็นแพหรืเรอเป็นเรือไปสู่เป้าหมายข้ามฝั่งเท่านั้นเมื่อเราข้ามฝั่งได้ก็ถือว่าหมดความจําเป็นของแพของเรือเหมือนกันเอาอาศัยสุขอาศัยทุกขเป็นแพเป็นเรือไปข้ามฝั่งที่มันไม่สุขไม่ทุกเมื่อไใดเราไปถึงภาวะที่มันไม่สุขไม่ทุกความสุขความทุกก็หมดความจําเป็น เราไม่ต้องหนีเราไม่ต้องแสิญหาเพราะมันมีคนจาเป็นต้องหนีและไม่มีคนจะเป็นต้องหาอันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่เราจะเข้าถึงสภาวะอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามว่าให้รู้จักทุกว่าเป็นอย่างไรให้รู้จักสุขว่าเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักสุขจักทุกตามความเปจริงเราก็จะอยู่เหนือมันไม่ได้นะ มันก็จะจะต้องอทำให้เราเป็นไปตามอำนาจของมันถ้าถามว่าการมาภาวนาหรือการม า, าศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการหนีทุกข์ไหมก็ไม่ใช่เป็นการเสาะหาความสุขไหมก็ไม่ใช่าการมาภาวนาทั้งสมถะนะิสนานเป็นการมาศึกษาทุกข์นะ ไม่ใช่ว่าวิ่งหาทุกหรือวิ่งหนีทุกไม่ใช่เป็นการศึกษามาศึกษาที่ฉันใช้คำศีลศิกขาจิตใจสิกขาปัญญาศิกขาศึกษ า, กษาสุขเกิดขึ้นก็ศึกษามันทุกเกิดขึ้นก็ศึกษามันอ่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษามันทุกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ชอบสุขเกิดขึ้นแล้วก็ชอบถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะ ห้องอยู่ในสูในทุกไม่สามารถจะข้ามไปสู่ฟังเห็นผ่านได้เพราะนั้นเองเราจะทำอย่างไรทำอย่างไรก็ต้องศึกษาเรื่อยไปและศึกษานี้ไม่ใช่ศึกษาแล้วมันจะจบง่ายๆหรอกเมื่อเราศึกษาจบแล้วก็หมดทุกนะศึกษาพุทธศาสนา ถ้ากำลังศึกษาอยู่ท่านเรียกว่าเสขะบุคคลถ้าศึกษาจบแล้วท่านเรียกว่าอาเสขะบุคคลมีศึกษาทางธรรมศึกษาเราจบเป็นแต่ศึกษาทางโลกนี้ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่จบศึกษาตลอดชีวิตก็ไม่จบคนทุกวันนี้เรียนไปจนแกแ่ก็ไม่จบดัง น, นั้นถามว่าสุขทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยตลอด สุขก็มีให้เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นตลอดเวลามันไม่เลือกเวลานะแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมาสลับกันไปเหมือนกับกลางวันก็ือคืนเนี่ยมันแสงสว่างกับความมืดคนทั่วไปก็ชอบแสงสว่างเวลามันมืดมาเขากลัวแต่ถ้าท่านผู้รู้ท่านก็จะศึกษาถึงเวลามืดก็เป็นเวลาที่เราได้พัก หรือเวลาสว่างก็เป็นเวลาที่เราทํางานไม่หลงอยู่ในความมืดและไม่หลงอยู่ในความสว่างช่วงไหนเวลาเราทุกเราก็ได้พักภาวนาช่วงไหนเวลาเราไม่ทุกเราก็ได้ทํางานเราเราไม่ทุกเราก็ได้ทํางานถ้าคนไหนได้อาศัยสุขทุกขเหมือนกับอาศัยกลางคืนกลางวันเนี่ยชีวิตเราก็จะ ไม่ทุกนะแต่คนส่วนใหญ่ช่วงไหนเวลาทุกข์ก็วิ่งหนีก็คือกระหอบแล้วจะวิ่งหนีมันได้หรือเปล่าความทุกเนี่ยเหมือนคนวิ่งหนีความมืดมันจะพ้นเลยหนาไม่พ้นไปที่ไหนเจอทั้งนั้นแนหะแต่ถ้าหาว่าเจอความมืดอย่าไปวิ่งหนีความมืด แต่พยายามทำแสงสว่างขึ้นความมืดมันก็หนีเราไปเราอย่าหนีความมืดชีวิตของเราเมื่อเจอความทุกข์เหมือนกันเราจะวิง่งหนีทุกข์แต่พยายามศึกษาความทุกข์แล้วก็หาความไม่ทุกข์ให้เจอความไม่ทุกข์เริเป็นแสงสว่างความทุกข์ก็เป็นความมืด เราก็ไม่ต้องแสวงหาความสุขนะให้หาความไม่ทุกข์นะถ้าแสวงหาความสุขมันก็ความทุกข์มันก็ไล่หลังมาติดติดแหละหยุดไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ก็เจอท่านนั้นท่านมึงจึงไม่ให้หนีทุกข์แล้วไม่ให้แสวงสุขแต่ท่านให้ศึกษาทุกข์แล้วก็ศึกษาความไม่ทุกข์มีอยู่ด้วยกันนั่นแหละเหมือนกับเราเมื่อถึงเวลาตะวันตกมืดเราก็ หาแสงสว่างขึ้นมาไม่ต้องหนีมันแต่คนส่วนใหญ่เวลาทุกข์ขึ้นมาไม่หยุดไม่หยุดเดินทางไปเรื่อยๆมันก็คนที่วเวลามืดขึ้นมาเนี่ยเดินทางไม่หยุดเดินทางต่อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะท่านท่านนี้ไม่มีแสงสว่างมันก็ล้มลุกคลุกคลานลงปลา่าหลงเขาลง <c oughs> ทิศหลงทาง <c oughs> นีะ เหมือนกันเราเดินทางทั้งที่เราทุกข์เราก็ต้องหลงแหละเพราะนั้นเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างเสียก่อนก่อนจะเดินทางต่อไปดังนั้นความมืดหรือแสงสว่างจึง <c oughs> ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตแล้วถึงเวลาตะวันตกดินมันมืด มันก็เป็นสัญญาณบอกเราว่าถึงเวลาเราต้องพักผ่อนบ้างแล้วล่ะเราก็หาที่หลับที่นอนแต่ถ้าเรามีงานที่ต้องทําอยู่ยังไม่พร้อมที่จะพักผ่อนเราก็ต้องหาแสงสว่างมาถึงเวลาในช่วงไหนมันทุกข์มันก็เป็นสัญญาณบอกว่าเราควรจะพักผ่อนได้แล้วเมื่อทุกข์หายไปก็คเคยลุกขึ้นมาทํางานต่อ เป็นอย่างนี้อยู่เสมอเสมอแหละแต่ทุกข์มันมาจากไหนอ่ะทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจมันมาจากไหนเนี่ยมาจากตัวความไม่รู้เราไม่รู้จักทุกข์มันจึงเกิดเรียวอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเป็นที่มาของทุกข์ แต่ทุกในส่วนร่างกายนี่เราจะรู้หรือไม่รู้มันก็มีอยู่นะทุกันเกิดจากชาติ ช, าชารามรณนะเนทุกทางกายเนี่ยมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องหนีมันแล้วก็บำบัดมันไปเรื่อยๆทุกทางกายบำบัด ม, มันด้วยเข้าปลาอาหารบำบัดด้วยการใช้เอเรียบทบำบัดด้วยการใช้ยุกยาบำบัดด้วยการใช้ ที่อยู่อาศัยบําบัดด้วยการใช้เครื่อง ม, มือหุ่นนี่แหละบําบัดมันไปเรื่อยๆแต่เราถึงบําบัดด้วยเรียบทน้อยใหญ่ก็บําบัดได้แต่ว่าทุกทางการนี่หายขาดไม่ได้น ะ, ะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกแต่ศึกษามันเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารอว่าเอ้นู่นเรา หมดภาระก่อนเราแก่ก่อนนี้อเรารอให้ถึงเวลาก่อนอันนี้เราว่าไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักทุกเพราะทุกเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะแก่ไม่มีเวลาที่จะจบมันเกิดขึ้นตลอดนะเกิดขึ้นตลอดเราก็ไม่ต้องรอเราไม่ต้องร อ, อกาา การที่เข้าไปศึกษาทุกแก้ไขทุกปรับเปลี่ยนทุกอืจากความทุกข์เปลี่ยนให้เป็นความไม่ทุกข์อยู่เสมอเห็นมันหรือเปล่าล่ะในความทุกข์เนี่ยเห็นความไม่ทุกข์บ้างไหมโยมอืมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกลัวยุงทุกข์เพราะกลัวมันจะแมงแมงแมงมดกัดอะไรมันก็ทุกข์แหละเพราะนั้นอย่าไปกลัวมัน เพราะอะไรเพราะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นแต่ว่าเราต้องพยายามแก้ไขเอาแก้ไขความกลัวให้ออกจากใจไปมีความอาถารมีความร่าเริงมีความแกล้งกล้ า, ลามีความเชื่อมั่นนะว่าเราจะมีสติปัญญาสามารถหาความไม่ทุกข์ได้เจอเหมือ น, อนกับมืดกับแสงสว่างเนี่ยมันก็ไม่อยู่ห่างกันนะนอยู่ ใ, ใกล้กันนั่นแหละ ความมืดหายไปแสงสว่างก็ปรกากฏแสงสว่างปรากฏความมืดก็หายไปเป็นเป็นปรติกริยานะมันอยู่ด้วยกันนะถึงจะว่าเราต้องการอันไหนเน่ยเราต้องการความมืดก็ดับแสงสว่างเสียแล้วต้องการแสงสว่างก็จุดอ่าแล้วต้องการความมืดก็ดับไฟแล้วต้องการแสงสว่างก็จุดไฟขึ้น น, นั่นเอง ความสุขความทุกข์ก็มือนกันถ้าเรารู้จักมันนะเราก็สร้างเอาได้ตามต้องการในทุกวันนี้เราสร้างไม่ได้เรารอวันสุขเรารอวันทุกข์เพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างความมืดไม่รู้จักวิธีสร้างแสงสว่างไม่รู้จักวิธีสร้างความทุกข์ไม่รู้จักวิธีสร้างความไม่ทุกข์ มันก็เลยกลัววิตกกังวลอันนั้นว่าจะเกิดอันนี้จะเกิดกลัวว่าความเจ็บป่ยวยจะเกิดบ้างกลัวว่าความพัดพลาดจะเกิดบ้างกลัวว่าความวิบัติจะเกิดบ้างกลัวว่าความเจ็บจะเกิดบ้างกลัวว่าความตายจะเกิดบ้างเราค่อเตรียมใหญ่เลยเตรียมอันนั้นเตรียมอนี้กลัวว่ามันจะเกิดเราเลเตรียมล่วงหน้า แต่เราไม่รู้ว่าขนาดเตรียมนี่เราก็เป็นทุกข์แล้วอ่าดังนั้นก็จึงอยากจะให้ท่านหลายได้ศึกษากันให้ดีนะไดศึกษากันให้ดีเล็กหเหมือนวาวน้ำฝนให้ลงแทงปิดเอาไว้ใหญ่นะี่ เพราะนั้นจริงข อ, อนุมโมทนานญาโยมที่มีความสนใจไฝ่ปฏิบัติธรรมมีความสนใจไฝ่ภาวนานเพื่อให้เราได้มีสติมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากที่มันไม่รู้ให้มันรู้จัก จากที่มันหลงให้มันรู้จักจากที่ให้มันทุกข์ให้มันไม่ทุกข์มีโอกาสนะมีโอกาสทำได้แต่ถ้าสมมติว่าเราทำไม่เป็นเนี่ยมันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างั้นแหล ะ, ะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่โชคดีนะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้ถ้าเราไม่เกิดมาเป็นมนุษย์เราทำไม่ได้นะทำไม่ได้เลยจริง เพราะว่าไเพราะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจได้เลยดังนั้นแต่เกิดมันเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาศึกษาหรืองนะี้ให้เข้าใจเนี่ยถือว่าเป็นคนอาภัพทีเดียวแหละอาภัพภพระบุคคลต้องแก้ไขให้มันพัพพระบุคคลให้มันควรแก่การที่จะได้รู้สิ่งนี้อาภัพภพระไปว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรที่จะรู้สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่โชคไม่ดีสำหรับบางคนที่ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสแล้วก็ยังศึกษาไม่ได้ก็อาึอดายดเพราะนั้นการที่จะรู้เรื่องการทุกข์และการดับทุกข์นี้นอกจากพบภูมิมนุษย์แล้วนี่ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็รู้ยากไปเกิดเป็นอินทรพรมก็รู้ยาก้าเกิดเป็นเปรตสุรกายเดริชนันก็รู้ยาก นอกจากเป็นมนุษย์เนี่ยจะรู้ง่ายนะเพราะว่าเป็นภูมิพบภูมิที่เหมาะมนุษย์นี่นะเพราะมนุษย์นี่มันสามารถรับรู้สุขรับรู้ทุกได้ถ้าเป็นฝ่ายพวกเทวดาอินพรหมนี่เขาก็รับรู้สุขอย่างเดียวเขาไม่รับรู้ทุกนะพวกที่ไปเกิดในบบยาภูมิก็รับรู้ทุกอย่างเดียวไม่ยอมรับรู้สุข แต่พบภูมิมนุษย์นี่รับรู้ได้ทั้งสุขทั้งทุกข์มันจึงมีทางเลือกที่จะสุขก็ได้ที่จะทุกข์ก็ได้แต่ผู้ภูมิอื่นนี่เลือกไม่ได้นะไปสู่ภพาะว่สุขก็สุขอย่างเดียวไปสู่ภพาะว่ทุกข์ก็ทุกข์อย่างเดียวแต่เป็นมนุษย์นี่มันได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดโอกาสในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติและโรยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่มานี่ก็ถือว่าเป็น ผู้ที่มีสมาธิทินะได้ติดตามปฏิบัติมาหลายปีแล้วก็ดึงญาติพี่น้องมาต่างกำลังสติปัญญาของเรารามีกำลังสติปัญญาแค่ไหนก็สามารถชักจูงเผยแผ่ออกไปสู่ญาติชนิตพิสหายได้นี่เขาเรียกว่าให้ธรรมทานให้ธรรมะเป็นทาน เราทั้งหลายเมื่อได้รับการชี้นาการชักจูงการเสนอแนะก็ถือว่ามีกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ๆมีกัลยาณมิตรคอยให้กำลังใจเราก็อนุโมทนาเพราะว่าถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยชีวิตเราไม่มีที่พึ่งนะกะัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งได้เป็นกัลยาณสหายสร้าง สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเรียกว่ากระยาในะสัมปวังโตนะดังนั้นจึงอยากจะให้สร้างศรัทธาให้เต็มที่ไม่เกิดความเหน็ดเหนื่อยท้อทอไม่เกิดความร่างเลสงสัยไม่เกิดความท้อแท้ให้เกิดความอาจหารราเริงเกิดความกะปรีกระเปรา่าเกิดความภาคเพียนเพนะอาการเกิดมา ได้ชีพเป็นมนุษย์นั้นเป็นของที่ยากมากมากเลยเมื่อได้มาแล้วก็ควรจะให้มันได้สิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์คนจะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์คนจะได้คนจะเป็นอะไรจะเป็นแก้วแว่นเงินทองยกฐานบดาสัก ร, รับลาภยกเสนสื่อมหรือไม่ก็ไม่ใช่สิ่งสูงสุดที่มนุษย์คนจะได้ทีาเราได้แก่มรักผลนิพพานทางของความไม่ทุกข์ทางที่สิ้นสุดการเวียนว่ายใจเกิด บางคนก็ยังเสียดายพบชาติอยู่นะอยากจะเวียนว่ายใจเกิดอยู่อยากจะไปเกิดเป็นอันนั้นอันนี้อยู่การที่จะหมดพบหมดชาติให้รู้สึกว่าไม่อยากได้เพราะมันจะไม่สนุกอันนี้คิดคนคิดแบบปุถุชนคนมีกิเลสเหมือนกัเด็กอ่ะถ้าเขายังสนุกในเรื่องเล่นอยู่ไปห้ามเขาเล่นไม่ได้เขาต้องอยากเล่นอยู่ เขาก็ยังไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แร้วเพราะว่าโตแล้วมันจะไม่ได้เล่นคิดแบบเด็กๆ เ, เหมือนกันคนบางคนมีจิตวิญญาณยัง ไ, ไม่เติบโตจิตวิญญาณยังเป็นคเลิเป็นเยาวอ่อนยาวด้วยปัญญามีปัญญาอย่างอ่อนเยาวอยู่ไม่ยอมโตยังเล่นสนุกกับความโลภความโกรธความหลงยังเล่นสนุกอยู่กับแก่ความเจ็บความตายอยู่ เพราะอะวุฒิภาวะทางอารมณ์วุฒิภาวะทางปัญญายังไม่เติบโตยังเป็นเด็กในด้านจิตใจอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะอายุ70 80สิบแาสิบล้วก็ตามแต่ทางด้านจิตใจนั้นเป็นเป็นเด็กอยู่คือยังสนุกในการเกิดแก่เจ็บตายสนุกในการกินกามเกียรติสนุกในความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนเด็กที่สนุกในการเล่นน่ะ ดนั่นเองเราก็คนพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตใจและเฉีปัญญาของเราให้เติบโตเบื่อหน่ายรู้สึกรู้สึกเบื่อหน่ายต่อเรื่องไร้สาระทั้งหลายความโลภ ก, ก็เป็นเรื่องไร้สาระความโกรธก็เป็นเรื่องไร้สาระความหลงก็เป็นเรื่องไร้สาระความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเนี่แต่เราจะไปนสนุกสนานเล่นมันอยู่ทําไมอ่า ดนั้นเองการปฏิบัติภาวนาทำให้เราเติบโตเท่าด้านจิตใจและสรีปัญญาแต่การไม่ได้ปฏิบัตินั้นจิตใจของเราไม่เติบโตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พัฒนากันยากนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานมาบางคนมาปฏิบัติทำนะอายุเจ็ดสิบแปสิบแล้วก็ยังยังเล่นหวยเล่นพนันการนันยังสนุกอยู่นะ ไปวัดก็ยังแอบซื่อหวยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่โตเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาเอายิ่งทุกวันเนี่ยมันมีของเล่นเยอะผู้ใหญ่ก็มีของเล่นเยอะเด็กก็มีของเล่นเยอะเล่นเกมเกมโลกเกมโกรดเกมหลงเกมแบบผู้ใหญ่ก็เล่น ่งที่จะหารายได้หาเงินหาทองไม่รู้สิ้นสุดเรื่องเล่นหาแบบเด็กก็หาเล่นหาความสนุกสนานหาความรู้ไปวุฒิภาวะมันยังไม่ถึงเราก็ต้องพยายามนะศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกเบื่อหน่ายแหละเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมัน มีแต่เรื่องเล่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่สนุกมีแต่ความทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไร้สาระให้เห็นอย่างเนี้เมื่อนั้นย่มเหนื่อยหน่ายถ้าไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องสนุกสนานเรื่องเล่นเล่นไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องเป็นทุกข์โดยไม่จําเป็นและเป็นมีแต่เ ร, รื่องไร้สาระเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ลงหลงนั่นแหละเป็นทางแห่ง การเข้าถึงมักผลท่านว่านะเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญานะถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาไม่เบื่อหรอกพวกนี้ถ้าเห็นด้วยความชี้แนะโหมดโฆษณาชักจูงมันเรามันก็เห็นด้วยเขาเดียวเดี๋ยวเขาเขือก็ไปกลับไปที่เก่าอีกและไม่เบื่อนายตอนนั้นท่านจึงพิจารณาบอกให้พิจารณาบ่อยบ่อยพิจารณาความโลภ บ, บ่อยบ่อยว่ามันดีตรงไหน ถ้าเป็นพระท่านก็พิจารณาให้ราคะบ่อยๆว่ามันดีตรงไห น, นราคะถ้าเป็นเย้ายวนท่านก็พิจารณาความโลภ บ, บ่อยๆความอยากบ่อยๆมันดีตรงไห น, นมันไปเสื่อเลอเลยตรงไหน น, นี่พิจารณาโทสะความปฏิฆะหงุดหงิดไม่พอใจมันมีสาระตรงไห น, นมันดีตรงไหนอ่ามันเหมาะที่จะโกรธเหมาะที่จะปฏิฆะหรือไม่จิตใจเรานี่มันเหมาะสมกันหรือไม่ พิจารณาหาดูความโมหะ <c oughs> ความหลงความรุ่มหลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพิจารณาหาสาระของมันมันดีตรงไหนพิจารณาไปลึกๆถ้ามันยังเห็นว่าดีอยู่ก็พิจาาต่อไปอจนกระทั่งเห็นว่ามันน่าเบื่อหน่ายนั่นแหละเราถึงจะละมันได้นะถ้าเราไม่พิจารณาจะเกิดปัญญาละไม่ได้ไม่ได้หรอก โรคปวดหลงเนี่ยมันพาเราเกิดเราเจ็บเราตาย ม, ามันไม่รู้จบกุ้ ย, ยชติอละการสนุกหาเงินหาทองการสนุกในการได้เงินได้ทองการสนุกในการได้ชื่อได้เสียงการสนุกได้ทรัพย์สินสมบัติเนี่ยเราก็สนุกมันมาตลอดอะ่ะแต่เราก็ทุกข์กับมันมาตลอดเหมือนกันรักสนุกมันก็ทุกข์ถนัดังนั้นเองถึงเวลาแล้วโลกนี้มันเป็นโลกที่ กลงขังนะกลงขังเป็นสุ่เป็นกลงขังที่คังใจเราอยูนน่นั่นเราก็พยายามที่จะออกจากโลกนี้ให้ได้คำว่าโลกในที่นี้ก็คือโลกที่เป็นโลกกระทานะเช่นสุขทุกข์สันเสริญลาบยศสุขทุกข์สันเสริญพวกนี้ก็เป็นโลกฝ่ายดีฝ่ายที่เราต้องการ ถ้าฝ่ายที่เราไม่ต้องการก็เสื่อมราบเสืยย่อมยศหินทาทุกข์นี่เป็นฝ่ายที่เราไม่ต้องการมันก็เป็นโลกอยู่แค่นี้แหละหมุนอยู่แค่นี้แหละเวียงร้ายบ้างเวียงดีบ้างสลับไปสลับมาในชีวิตประจำวันมันก็จะมีสองเรื่องนี่แหละดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้า ง, างเว้นแต่พระอริยเจ้าผู้ได้สดับแล้วอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วท่านก็จะพยายาม นะอยู่ตรงกลางหรืออยู่เหนือความสุขความทุกข์อยู่เหนือความสว่างความมืดอยู่เหนือความบุญและบาปอยู่เหนือความสบายและไม่สบายอยู่เหนือว่าจสมสารคำว่าอยู่เหนือนะี่คือใจเขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใจไม่เข้าไปไหลาตามใจไม่เข้าไปคิดตามใ จ, จไม่ไปปุ่มแต่งตามใจไม่ไปเกี่ยวข้องเดาเรียกว่าอยู่เหนือนะ เขาว่าอยู่เหนือเนี่ยต้องเข้าใจไม่เชื่อพ้นหมายความว่ามันมีอารมณ์เป็นที่ตั้งของความใคร่ก็ไม่ใคร่ไปกับมันเกิดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความโกรธก็ไม่โกรธไปกับมันเกิด <es> อารมณ์เป็นที่ตั้งของความชอบก็ไม่ชอบไปกับมันเกิดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความหลงก็ไม่หลงไปกับมั น, นเขาเรียกว่าอยู่เหนือแต่ถ้าหากว่าเกิดอารมณ์รักใคลแล้วก็ไปกับมันนี่เขาเรียกอยู่ใต้มันแล้วเกิดอารมณ์ปฏิทักษ์หงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดไปกับมันอยู่ใต้มันแล้ว หลงก็คลอบงำเราิอาดอาดมณลไปที่ตั้งขอความหลงก็หลงไปกับมั น, นที่เป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นเองเอามาก็มีหน้าที่นำเสน อ, อในสัจจ์ของจริงที่ได้ผ่านมาไปสบมาส่วนจะใครจะเอาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็คืออยู่กับอุฒธธิภาวะภูมิปัญญาของแต่ละคนนะบางคนก็รับได้มาก เปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจได้บางคนก็รับน้อยบางคนก็รับไม่ได้เลยนะฟังมาตลอดก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเชื่อมาฟังกันเข้าใจแล้วนี่มันก็จะได้ทั้งหมดแหละนะ นั่นก็ขออนุโมทนาสาธุที่เดินทางไกลกันมาฟังธรรมแล้วก็นำไปปฏิปฏบัติจนสามารถนำตนให้พ้นจากทุกข์นำตนให้พ้นจากวัฏสงสารรู้ถือมากุนยิพานด้วยกันทุกคนรู้ทัทนเท่กราบคระองค